ของพระพุทธเจ้าที่เปรียบเป็นเหมือนแผนที่ของชีวิตของพวกเราพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้คือแผนที่ชีวิตหรือสมัยใหม่เราก็เรียกว่า G P S ชีวิตการเดินทางของพวกเราชีวิตของพวกเรานี้ กำลังเป็นการเดินทางอยู่ถ้าเราไม่มีแผนที่ไม่มี GPS บอกทางเราอาจจะหลงทางเราอาจจะไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปกันได้แต่ถ้าเราได้เปิดแผนที่ดูอยู่เรื่อยๆได้ดู GPS เราก็จะได้รู้ว่า เรากำลังเดินทางไปในทิศทางที่เราต้องการจะไปหรือไม่นชีวิตของพวกเรานี้มีทางเดินอยู่สองทางด้วยกันทางที่หนึ่งคือทางาทางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในไตรภพที่เป็นทางที่พวกเรา กำลังเดินทางกันอยู่และคอยเดินทางอยู่ในทางนี้มาอย่างยาวนานเพราะเราไม่มีแผนที่กันแต่พอมีพระพุทธศาสนามีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นเหมือนมีแผนที่ให้พวกเราได้ดูทาง ว่เรากําลังจะเดินทางไปในทิศไหนกันพอเรามีแผนที่เราก็จะเห็นว่านอกจากทางเดินที่เราเคยเดินกันอยู่คือทางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏแล้วยังมีอีกทางหนึ่งที่พวกเราสามารถที่จะเลือกเดินทางไปได้นั่นก็คือการ นั่นก็คือทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรนี่เอง mm. ทางนี้ไม่มีใครรู้จักมีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ส่งค้นพบทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรในไตรภพในการมาภพรูปภพและอรูปภพ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงสอนมาทรงบอกพวกเราพวกเราจะไม่รู้จักทางนี้เราจะรู้จักทางเดียวคือทางของการเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพนี้เองการได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจะทำให้เรา ได้เห็นทางออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พอเราเห็นแผนที่แล้วรู้ทางที่จะพาให้เราออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเราก็เดินไปตามทางที่แผนที่บอกให้เราไปกันเราก็จะสามารถ ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพในสังสารวัตรได้อย่างผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าคือพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นเหมือนพวกเราท่านก็เคยเดินอยู่ในทางของการเวียนว่ายตายเกิดมาอย่างยาวนาน ท่านได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็เชื่อในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติพอท่านปฏิบัติตามแล้วท่านก็สามารถออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปสู่ ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดก็คือพระนิพพานเป็นที่ที่อยู่ตรงคนละ้ากกับฝากของการเวียนว่ายตายเกิดพวกเราตอนนี้อยู่ฝากของการเวียนว่ายตายเกิดส่วนนะพระนิพพานนี้เหมือนอยู่อีกภากหนึ่งการที่เราจะไปจากภากนี้ไปสู่ภากของพระนิพพานได้ เราก็ต้องเดินไปตามทางที่จะพาให้เราข้ามฟากไปสู่พระนิพพานทางที่จะพาให้เราข้ามฟากไปสู่พระนิพพานนี้ก็คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เองที่ส่งสอนให้พวกเราละการกระทําบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม และชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือทางที่จะพาให้พวกเราได้ออกจากสังสารวัฏออกจากตายภพออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีทางอื่นที่จะพาเราให้ออกไปได้มีเพียงทางนี้เพียงทางเดียวเท่านั้น น, นี่คือเรื่องของพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราต้องเข้ามาศึกษามาทำความรู้จักเพื่อที่เราจะได้รู้การออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้จะต้องทำอย่างไรบ้าง ถ้าเราทําตามแล้วเราก็จะเริ่มออกจากการเวียนว่ายตายเกิดขั้นที่หนึ่งท่านสอนให้เราปิดทางที่จะพาให้เราลงต่ำก่อนคือทางที่จะพาให้เราออกจากสังสารวัฏนี้เราจําเป็นจะต้องผ่านไปสู่ภพที่สูงขึ้นตามลำดับ ถึงจะสามารถพาให้เราออกจากสังสารวัฏออกจากตายภพได้ตอนนี้เราอยู่ในภพที่ภพแรกภพที่ต่ำคือการมาพบพบของมนุษย์ในพวกการมาพบนี้มีภพที่สูงและภพที่ต่ำ พที el el qualité, ่ต่ำกว่ามนุษย์ก็มีพบที่สูงกว่ามนุษย์ก็มีทางที่เราจะไปสู่พระนิพพานนี้เราต้องยกเราต้องขึ้นจากพบของมนุษย์ขึ้นไปสู่พบที่สูงกว่าพบของมนุษย์การที่เราจะขึ้นไปพบที่สูงได้เราต้องปิดทางที่จะพาให้เราไปสู่พบที่ต่ำก่อน คือเราจะได้ไม่ต้องหลงไปสู่ที่ต่ำกว่าความเป็นมนุษย์นั่นเองนั่นก็คือพบของอบายที่มีอยู่สี่พบด้วยกันสี่ภูมิด้วยกันคืออเดลฉานเปรดอสุลกายและนรกนี่คือ ภูมิที่ต่ำกว่าภูมิของมนุษย์เราไม่ต้องการไปทิศนั้นทางนั้นพระพุทธเจ้าจึงส อ, สอนให้เราปิดทางนี้อย่าไปทางนี้วิธีที่จะไม่ไปทางนี้ก็คือการระ ง, งับการกระทำบาปทั้งปวงนั่นเองเพราะการกระทำบาปเป็นการเดินไปในทางที่จะพาเราไปสู่ภพที่ต่ากว่าของมนุษย์ ถ้าเราไม่ทําบาปเราก็จะไม่เดินทางไปในทางที่ต่ํากว่านั่นเองดังนั้นในเบื้องต้นนี้ส่งสอนให้เรามาละ ก, การกระทําบาปทั้งปวงและอบายามุกผู้ที่เป็นผู้สนับสนุนในการกระทําบาปการกระทําบาปนี้มีอยู่สี่ข้อด้วยกันคือหนึ่ง การฆ่าสัตว์สองการลักทรัพย์สามการประพฤติผิดประเวณีสี่การพูดปดนี่คือทางที่จะพาไปสู่อบายและผู้ที่จะสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เราทำบาป ก, ก็คืออบายยมุกเนี่ยอบาย ยมุกแปลว่าประตูของอบายนั่นเองมุก ค, คือประตูอบายก็คือเนืที่ ท, ที่ที่ต่ำกว่าของมนุษย์คือภูมิที่ต่ำกว่าของมนุษย์คือเดรชานเปรตอสุลกายและนรกนะผู้ที่เสบอบายยมุกก็เหมือนผู้ที่กำลังจะเดินเข้าประตูอบายนั่นเอง ถ้าไม่เสพอบายอมุกก็จะไม่ได้เดินไม่ได้อยู่ใกล้ประตูทางเข้าอบายก็จะยากต่อการที่จะไปเข้าไปในอบายผู้ที่อยู่ปากประตูนี้มันง่ายพอเดินเพียงก้าวเดียวก็เข้าไปสู่อบายดังนั้นเราต้องพยายามอย่าไปเดินเข้าใกล้ประตูที่จะพาให้เราเข้าไปสู่อบาย อาบายามุคนี้ก็มีอยู่ห้าห้าชนิดด้วยกันคือหนึ่งการดื่มสุรายามเมาสองการเล่นการพนันสาการเที่ยวเตรสี่ความเกลียดคร้านและห้าการครบคนที่ชอบอบายยมุกเป็นมิตรนี่เป็น สิ่งที่เราควรระมัดระวังไม่ควรที่จะกระทํากันเพราะถ้าเราเสพอบายามุกแล้วถึงแม้ว่าในเบื้องต้นยังไม่มีพิษไม่มีภัยแต่ถ้าเสพไปเรื่อยๆแล้วมันจะติดติดแล้วมันจะทําให้เราเสพแบบไม่หยุดไม่ย่อนแล้วในที่สุดมันก็จะทําให้เรา เดือด้อนเพราะว่าอบายามุขนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายเมื่อเรามีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้ต่อไปทรัพย์สินที่เรามีอยู่ก็จะหมดไปพอทรัพย์สินหมดไปเราก็จะถูกบังคับให้ไปหาทรัพย์สินด้วยการกระทำบาบนั่นเองเนื่องจากว่าเราไม่รู้จักวิธี หาทรัพย์สินโดยไม่ได้ทำบาปเพราะอบายามุขนี้จะดึงให้เราไปทำแต่สิ่งที่ไม่มีรายได้พอที่พอจะไปหารายได้แบบคนอื่นทั่วไปก็หาไม่เป็นก็ต้องหาแบบวิธีที่ง่ายๆก็คือการกระทำบาปนั่นเองพอเงินทองไม่พอ ก็ต้องมีการลักทรัพย์ขึ้นมาหรือมีการโกหกหลอกลวงกู้นี่ยืมสินแต่ไม่มีปัญญาที่จะใช้เขาได้เพราะว่าพอได้ทรัพย์มาก็จะเอาไปเสพอบายามุขต่อเสพอบายามุขเดี๋ยวทรัพย์นั้นก็หมดเมื่อหมดแล้วก็จะไม่มีทรัพย์ที่จะเอาไปคืนเจ้าของที่ไปยืมเของมาะ ก็เป็นการหลอกลวงโกหกหลอกลวงหรือไม่เช่นนั้นก็พ อ, อยืมไม่ได้ก็ต้องไปลักขโมยลักขโมยไม่ได้ก็อาจจะต้องไปป้นไปจี้ใช้อาวุธแล้วก็อาจจะมีการต่อสู้กันเมื่อมีการต่อสู้กันด้วยอาวุธก็จะมีการฆ่าฟันกันได้นี่แหละทําไม คนเราจึงทําบาปกันเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ทําบาปกันเพราะอาบายมุขนี่เองอเวลาดื่มสุรายาเมาพอเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาก็จะไม่มีสติคอยยับยั้งความคิดที่ไม่ดีที่มักจะโผล่ขึ้นมาในเวลาที่ไม่มีสติคอยควบคุมบังคับก่อนดื่มสุราจึงมักมีการกระทํา ที่ไม่น่าดูน่าชมทางวาจาและทางกายวาจาก็จะหยาบคายการกระทําก็มักจะไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเช่นเวลาเมาแล้วขับรถยนต์คนขับรถยนต์ที่ไม่มีสติก็มักจะเกิดอุบัติเหตุสร้างความเสียหายให้ทั้งทรัพย์สินและชีวิต ของตนเองและของผู้อื่นนี่คือโทษหรือพิษภัยของอบายของการดื่มสุรายามเมาการเล่นการพนันก็จะทำใหเ้เงินทองที่มีอยู่นี่หมดไปเพราะเหตุใดเพราะว่าเวลาเล่นการพนันถ้าได้กำไรก็มักจะเอาเงินที่ได้กำไรไปใช้แบบสุรุย่ยสุราย แล้วพอเงินที่ใช้ได้กำไรมาหมดไปก็จะกลับไปหาใหม่ด้วยการเล่นการพนันใหม่เล่นการพนันนี้มันก็มีทั้งได้มีทั้งเสียไม่ใช่จะได้อย่างเดียวเสมอไปเวลาได้ก็เกิดความโลภอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นเวลาเสียก็อยากจะได้คืนก็จะกลับไปเล่นไม่ว่าจะได้หรือจะเสีย ในที่สุดก็จะเสียเพราะเวลาได้มาก็เอาไปกินเอาไปเล่นเอาไปเที่ยวแล้วส่วนที่เหลือก็กลับมาเล่นใหม่เล่นใหม่พอเสียก็ต้องเอาทรัพย์สินที่มีอยู่ออกมาขายขายทรัพย์สินต่างๆพอทรัพย์สินขายหมดก็ขายที่อยู่อาศัยขายบ้านขายที่ดิน แล้วพอหมดแล้วก็อาจจะไปกู้หนี้ยืมสินจากผู้มีอิทธิพลในวงการพนันพอยืมเขาแล้วไม่สามารถที่จะทดแทนใช้ให้เขาได้เวลาเขามาทวงเขาก็อาจจะต้องทำร้ายร่างกายและอาจจะถึงกับทำร้ายชีวิตก็ได้ถ้าไม่มีเงินทองที่จะไปคืนเขา พิษของการปัญนา น, นี้ท่านว่าโหดร้ายยิ่งกว่าขโมยขึ้นบ้านหรือไฟไหม้บ้านเพราะว่าเวลาขโมยขึ้นบ้านขโมยก็เอาไปได้เพียงแต่ทรัพย์สินข้าวของที่มีอยู่ในบ้านเขาขโมยไม่สามารถขนบ้านหรือที่ดินไปได้เวลาไฟไหม้บ้านก็ไหม้เพียงแต่บ้านที่ดินก็ยังอยู่ แต่ผีพนันนี้มันเอาไปหมดทั้งทรัพย์สินทั้งบ้านทั้งที่ดินเพราะว่าจะเอาไปขายหมดนั่นเองขายเพื่อที่จะเอาไปเล่นต่อเพราะเวลาเล่นแล้วมันติดเวลาไม่ได้เล่นแล้วมันรู้สึกขาดลมหายใจจะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจจะไม่มีความสุข คนที่ติดการพนันก็จะหาจะเล่นการพนันคนที่ติดสุราก็จะดื่มสุราเป็นการระบายความหงุดหงิดลาคาญใจต่างๆอันนี่คือเรื่องของอบายมุขส่วนชนิดที่สามก็คือการเที่ยวเตระการเที่ยวเตะนี้ก็มีแต่การเสียเงินไม่มีรายได้ถ้าเที่ยวเป็นนิจใส ไม่ไปทำงานทำการเพราะมีความเกียดค้านในการทำงานทำการอยากจะหาความสุขจากการเที่ยวเตะไม่ช้าก็เร็วทรัพย์สินที่มีอยู่ก็จะต้องไม่พอใช้ก็จะต้องไปหาโดยวิธีทำบาปเพราะการทำบาปนี้เป็นวิธีที่หาง่ายหาได้เร็ว ห, หาได้มากไม่ต้องไปร่ำเรียนหนังสือ จบปริญญาไปทำงานกว่าจะได้เงินเดือนมาแต่ละเดือนนี้ต้องทำงานถึงสามสิบวันด้วยกันแต่ถ้าไปลักขโมยไปโป้นไปจี้ทำเพียงไม่กี่นาทีก็ได้ทรัพย์สินมาเป็นจำนวนมากผู้ที่ไม่มีความผู้ที่เสพอบายมุกนี้จะไม่มีความสามารถที่จะไปทำงานทำการ ไปเรียนหนังสือไปมีไปมีป ง, งานมีการที่มีรายได้ที่สุดจริญได้ก็ต้องหาโดยวิธีทุจริตด้วยการทําบาปการครบคนที่ชอบอบายามุขก็ไม่ดีเพราะว่าคนที่ชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราคนที่ชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนัน คนที่ชอบเที่ยวเต่ชอบความเกียจค้านก็จะชวนให้เราไปเที่ยวเตะไม่ให้เราไปทำงานทำการกันไม่ให้ไปโรงเรียนเด็กนักเรียนนี้ก็มีพวกช้อยที่ชอบหนีเที่ยวเหมือนกันถ้าไปคบเพื่อนที่ชอบเที่ยวเดี๋ยวก็ชวนกันพาห น, นีไปเที่ยวแทนที่จะไปเข้าห้องเรียนก็หนีหอแอบหนีไปเที่ยวตามศูนย์การค้ากันอย่าไปคบคนเหล่านี้ พ่าคบคนเก่านี้แล้วเขาก็จะชวนเราไปทําในทางที่ไม่ดีทําในสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปเสียดายเพื่อนแบบนี้เพื่อนมีมากมายกายกองในโลกนี้เลือกได้เพื่อนที่ดีก็มีเพื่อนที่ไม่ดีก็มีนี่คือวิธีเลือกคบคนให้ดูว่าเขาเสพอบายามุขหรือไม่เขาดื่มสุราเล่นการพ น, นัน เทวเตะมีความเกลียดค้านหรือไม่ถ้าเขามีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่อย่าไปคบกับเขาดีกว่าเพราะเหมือนกับไปคบกับงูพิษดีๆนี่เองไม่ช้าก็เร็วก็จะถูกงูพิษกัดเอาได้ฉะนั้นอย่าไปเสียดายเพื่อนแบบนี้เพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นเพื่อนที่อยู่ เป็นศัตรูในคาบของเป็นของความเป็นเพื่อนความเป็นจริงแล้วเขาเป็นศัตรูเพราะเขาจะพาเราไปสู่ความหายนะแต่เขามาคบเราแบบเป็นเพื่อนกันก็คือเป็นการหลอกลวงให้เราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเราความจริงแล้วเขาเป็นผู้จะมาทําร้ายเราทําลายเราเขาเป็นศัตรูกับเรานี่คือ การปิดประตูอาบายการที่จะพาให้เราออกจากสังสารวัฏออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ในเบื้องต้นเราต้องอย่าไปในทิศของอาบายเพราะถ้าไปทางอาบายแล้วยิ่งจะเข้าไปสู่จุดที่ยากต่อการหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองต้องปิดประตูอาบายด้วยการไม่เสพอาบายมุก ด้วยการไม่ทำบาปคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดการฆ่าสัตว์ก็คือทำร้ายชีวิตของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นของมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานก็ห้ามฆ่าโดยเด็ดขาดเป็นบาปเหมือนกันบาปมากบาปน้อยฆ่าสัตว์เดรัจฉานนี้มีบาปน้อยกว่าฆ่ามนุษย์เพราะว่ามนุษย์นี้ มีคุณค่ามากกว่าสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์นี้ก็มีหลายระดับมนุษย์ที่มีคุณค่ามากก็มีคุณค่าน้อยก็มีมนุษย์ที่เราไม่รู้จักนี่ก็ไม่มีคุณค่าเท่ากับมนุษย์ที่มีพระคุณกับเราเช่นบิดามานดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระสงฆ์นี่เป็นบุคคลที่มีคุณค่ามาก ถ้าไปฆ่าพระพุทธพระสงฆ์ฆ่าพ่อฆ่าแม่นี้ถือว่าเป็นบาปหนักมากเป็นบาปหนักที่สุดถ้าเปรียบเทียบกับโทษทางกฎหมายก็โทษประหารชีวิตโดยถ่ายเดียวไม่ใช่จำคุกแค่ห้าปี10ปีหรือตลอดชีวิตโทษต้องประหารชีวิตการฆ่าบุคคลที่มีพระคุณกับเรานี้เป็นโทษหนักที่สุด เรียกว่าอนันตาไรยอนันตาไยกรรมโทษที่หนักที่สุดที่จะพาให้ไปตกนรกขุมที่ลึกที่สุดนานที่สุดร้อนที่สุดคืออนันตรไรยกรรมมีอยู่ห้าข้อด้วยกันหนึ่งคือฆ่าพ่อสองฆ่าแม่สามฆ่าพออาระอรหันต์สทําให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดไม่ถึงกับฆ่า ทำเพียงแต่ทําให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดคือทําให้พระพุทธเจ้าบาดเจ็บและห้าทำให้สงเกิดความแตกแยกอการกระทําเหล่านี้ถือว่าเป็นการกระทําที่หนักมีโทษที่หนักมากที่สุดเรียกว่านาันตาริยกรรมจะไปตกในนรกที่ขุมลึกที่สุดอที่นานที่สุดเนี่ย ที่ร้อนที่สุดนะส่วนถ้าฆ่าบุคคลอื่นนี้เบากว่าฆ่าคนที่เราไม่รู้จักเช่นฆ่าขโมยขโมยมาขึ้นบ้านเราก็ยิงปืนไล่เขาไปแล้วไปถูกเขาทำให้เขาตายโทษไม่หนักเท่ากับการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพาาระอรหันต์หรือถ้าเป็นทหารไปฆ่าศึกษัตรูก็ไม่หนัก เบาลงเพราะว่า้าศึกศัตรูไม่มีคุณประโยชน์กับเรามีแต่โทษกับเราเป็นมีแต่พิษตภัยกับเราแต่ก็ยังบาปอยู่การฆ่าไม่ว่าจะฆ่าไข่ถือว่าบาปเพียงแต่ว่ามีบาปหนักบาบเบาเหมือนกับการทำผิดกฎหมายมีโทษหนักโทษเบาโทษเบาก็บางทีแค่ปรับหรือรอลงอาญาก่อนอ ถ้าหนักกว่านั้นก็มีจําคุกหกเดือนบ้างหนึ่งปีบ้างสองปีบ้างแล้วแต่ความหนักเบาของของการกระทํำบาปก็เป็นในลักษณะนั้นบาปมีแบบเบาและบาปหนักนะครัถ้าฆ่าสัตว์เดรัจฉานนี่ก็เบาหน่อยเบาวกว่าการฆ่ามนุษย์อย่างพระสงฆ์องค์เจ้านี้ถ้าฆ่ามนุษย์นี้ถือว่าขาดจากการเป็นพระเลย เป็นปาราชิกเป็นบาปหนักของพระมีอยู่สี่ข้อถ้าพระทำบาปหนักสี่ข้อนี้ถือว่าขาดจากการเป็นพระทันทีข้อที่หนึ่งก็คือฆ่ามนุษย์เนี่ยถ้าไปฆ่ามนุษย์นี่ถือว่าไม่เป็นพระแล้วแต่ถ้าถ้าไปฆ่าเผยฆ่ายุงฆ่ามดนี่ยังไม่ถือว่าขาดจากการเป็นพระ เพราะว่าเป็นโทษที่เบากว่าไม่หนักเหมือนกับการฆ่ามนุษย์นี่ยปาลาชิกของพระนี้โทษหนักมีอยู่สคือการฆ่ามนุษย์สองการลักทรัพย์นี่สาการร่วมหลับนอนกับสีกาเนี่การอวดอุตตริคขนวิเศษที่ไม่มีในตนเองที่อวดว่าได้บรรลุ ข, ขั้นนั้นขันนี้แล้วได้ฌานขั้นนั้นขั้นนี้แล้ว ได้เป็นพระอริยบุคคลขัน้นนี้ขัน้นนี้ขั้นนั้นแล้วทั้งทั้งที่ยังไม่ได้เป็นนะแต่ถ้าเป็นความจริงไม่ไม่ถือว่าเป็นการอวดอุตริไม่ได้เป็นการโกหกหลอกลวงนะเนี่ยนี่คือโทษหนักของของพระถ้าทำผิดศิสนสี่ข้อนี้ข้อใดข้อหนึ่งนี้ถูกจับศึกทันทีหรือไม่ต้องถูกจับศึกในความรู้สึกก็ถือว่า ไม่ได้เป็นพระแล้วนี่คือเรื่องของการทำบาปมีโทษหนักโทษเบาเนี่ยพระมีสีนต้องสองร้อยยี่บเจ็ดข้อใช่ไมมีโทษหนักก็สี่ข้อนี้เท่านั้นเองที่ขาดจากการเป็นพระส่วนสีนข้ออื่นที่ผิดนี้สามารถที่จะรับโทษเบาได้ไม่ถึงกับต้องถูกจับศึกโทษที่เบากา เบากับปาราชิกก็สังคาดิเสษมี13ข้อถ้าทำผิดก็ต้องไปติดคุกของพระพระก็มีคุกตารางที่เราเรียกกัไปอยู่กรรมไปอยู่ปริวาฏฐกรรมคือให้แยกออกจากคณะสงฆ์ชั่วคราวให้ไปอยู่ไปกักขังตัวเองไว้ระยะเวลาที่ไปที่ได้ไปทำบาประดับ ที่สองลงจากปาราชิก ค, คือต้องไปติดคุกไปอยู่ไปอยู่ปริวัติศกรรมคือแยกออกจากการร่วมอยู่กับสงฆ์ชั่วคราวพออยู่แล้วทำให้สงเสื่อมเสียเหมือนกับคนที่ทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกจับแยกไปอยู่ในคุกตารางชั่วคราวแล้วโทษที่เบากว่า สังคาดิเศษก็สามารถตรงอาบัติได้คือด้วยการสารภาพเวลาทำบาปที่ผิดไม่ไม่หนักก็ไปล้างบาปหรือว่าไปชำระบาปได้ด้วยการไปสารภาพบาปกับพระอีกรูปหนึ่งแล้วก็พระที่ได้รับฟังก็จะว่ากล่าวตักเตือนอย่าทำอีกนะ อย่างนี้เป็นต้นนี่คือเรื่องของการทาบาปที่มีคือการฆ่าสัตว์มีหนักและมีเบาถ้าฆ่ามนุษย์นี้หนักกว่าฆ่าสัตว์เนี่ยสัตว์ก็มีหลายระดับสัตว์ที่มีคุณประโยชน์ก็มีสัตว์ที่ไม่มีคุณประโยชน์ก็มีชาวพุทธเราจึงมักนิยมไม่ฆ่า สัตว์ที่มีคุณประโยชน์เช่นวัวควายเพราะวัวควายนี้เขาช่วยเหลือเราในการทำมาหากินในสมัยโบราณ น, นี้เขาใช้วัวควายในการทำไร่ไถนาเขาเป็นเหมือนผู้ที่มีคุณประโยชน์มีบุญคุณก็มักจะไม่ฆ่าสัตว์เหล่านี้มาเป็นอาหาร ถ้าจะฆ่าสัตว์มาเป็นอาหารก็จะเป็นฆ่าพวกหมูพวกเป็ดพวกไก่เพราะพวกนี้ไม่ค่อยทำคุณประโยชน์อะไรมีแต่กินอย่างเดียวพวกเป็ดพวกไก่พวกหมูนี้ไม่ได้ทำงานให้เรามีแต่เป็นภาระที่เราต้องเลี้ยงดูเมื่อนั้นดังนั้นเขาไม่มีคุณประโยชน์กับเราเขาเป็นหนี้เราเราเลยฆ่าเขามาใช้หนี้ เรารกินเป็ดกินไก่กินหมูกันแต่เราจะไม่กินเนื้อวัวเนื้อควายกันนะนี่เรื่องของการฆ่าสัตว์นมีหนักมีเบาเอโทษที่ลองบาปที่หนักลองจากการฆ่าสัตว์ก็คือการลักทรัพย์นี่เองการขโมยเอาข้าวของเงินทองของผู้อื่นโดยที่เขาไม่อนุญาตนถ้าขอก็เล่าค้าอนุญาตนี้ไม่ถือว่าเป็นการขโมยะ ไม่ถือว่าเป็นการลักทรัพย์เช่นเด็กๆนี่บางทีอยากจะได้อะไรเห็นของเขาวางไว้ก็ไปหยิบโดยที่ไม่ไปขออนุญาตจากเจ้าของกันเพราะไม่รู้ว่าเป็นการกระทำบาปเนี่ต้องขออนุญาตก่อนนะถ้าไม่ขออนุญาตนี้เป็นการกระทำบาปตายไปต้องไปเกิดในอบายถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ว่าบาปก็จะไปเป็นเดรัจฉาน ไปเป็นสุนัขไปเป็นแมวเห็นไหมสุนัขเวลามันอยากได้อะไรมันขออนุญาตจากเจ้าของก่อนหรือปเปล่าเห็นอาหารวางไว้อยู่พอมันอยากจะกินมันก็คว้ามาเข้าปากเลยการที่จะเอาทรัพย์ของผู้อื่นเอาของของผู้อื่นโดยที่ไม่รู้ว่าบาปเนี่ยตายไปเนี่ยจะไปเกิดเป็นแมวเป็นสุนัข ก, กัน แตไม่อยากจะไปเกิดเป็นแมวเป็นสุนัขเวลาอยากจะได้ข้าวของของคนอื่นขอเขาก่อนขออนุญาตจากเขาก่อนถ้าเขาอนุญาตค่อยเอาถ้าเขาไม่อนุญาตอย่าเอาเนี่ยนี่คือวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในอบายกั น, นการทําบาปการรักทรัพย์ก็มีหนักมีเบา คือักมากก็หนักก็มีโทษหนักกว่ารักน้อยอขโมยเงินล้านกับขโมยเงินพันนี่โทษมันไม่เท่ากันคนที่ขโมยเงินล้านก็ติดคุกยาวหน่อยคนที่ขโมยเงินพันก็ติดติดไม่นานนี่การรักทรัพย์ก็มีโทษหนักเบาต่างกันไปบาปที่ ลองลงมาจากการฆ่าจากการลักทรัพย์ก็คือการประพฤติผิดประเวณีการไปร่วมหลับนอนกับคนที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองของเราถ้าอยากจะร่วมหลับนอนให้ถูกต้องตามหลักของการเป็นมนุษย์ก็ต้องมีการสู่ขออนุญาตจากบิดามารดาของทั้งสองฝ่ายแล้วประกาศให้สังคมรับรู้ว่าคนสองคนนี้เป็นคู่ครองกัน ห้ามไม่ให้คนอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วคนสองคนนี้ก็ห้ามไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นในเรื่องของการร่วมหลับนอนกันถ้าไม่ทำตามประเพณีก็ก็เหมือนกับทำเหมือนกับทาตามสุนัขเนี่ยสุนัขนี่เวลาเขาเวลาเขาอยากจะร่วมหลับนอนกับตัวไหนเขาก็ไม่สนใจว่าเป็นคู่ครองของใครหรือไม่ ถ้ามนุษย์ทําแบบนั้นก็เป็นเหมือนสุนัขตายไปก็จะไปเกิดเป็นสุนัขเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่บาปข้อที่สามแลบาปข้อที่สี่เบาลงมาก็คือการโกหกหลอกลวงโกหกหลอกลวงก็มีโทษหนักเบาเหมือนกันอยู่ที่ว่าความเสียหายมีมากมีน้อยถ้าโกหก แล้วทำให้เกิดความเสียหายมากก็โทษมากโกหกแล้วทำให้ความเสียหายน้อยก็โทษน้อยเนี่ยนี่เรื่องของการทำบาปที่จะพาให้เราติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในอบายตายไปก็ไปเกิดในอบายพอพ้นจากอบายพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะกลับมาทำบาปใหม่เพราะมันจะติดอยู่ในนิสัยของจิตใจเนี่ยทำไมเราถึงเกิดมาถึง ใช้มือขวามือซ้ายทำไมเราไม่เลือกใช้มือที่เราไม่ชอบได้ไหมไม่ได้เรามักจะใช้มือที่เราถนัดเพราะอะไรเพราะเราเคยใช้มือนี้มาทุกภพทุกชาตินั่นเองทุกครั้งที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราถนัดขวาเราก็จะใช้มือขวาถ้าเราถนัดซ้ายเราก็จะใช้มือซ้าย อันนี้ก็เหมือนกันอบายมุกถ้าเราถนัดดื่มโซราโลดาเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะไปดื่มโซรากันถ้าเราถนัดเล่นการพนันเราก็จะไปเล่นการพนันกันแล้วพอเราต้องหาเงินหาทองถ้าเราถนัดด้วยการโกหกหลอกลวงเราก็จะไปโกหกหลอกลวงถ้าเราถนัดด้วยการลักทรัพย์เราก็จะไปลักทรัพย์นี่คือเรื่องของ นิสัยพอเราทำอะไรแล้วมันจะกลายเป็นนิสัยขึ้นมาแล้วเราก็จะทำตามนิสัยของเราเวลาที่มีเหตุการณ์ที่จะบังคับให้เราทำอะไรเราก็มักจะเลือกทำตามนิสัยของเราพวกที่มีนิสัยทำบาปนิสัยเสพโซลาเสพอบายามุขพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาทำบาปมาเสพอบายามุข แล้วตายไปก็กลับไปเกิดในอบายจะแก้ได้ก็ต้องมาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละที่สอนว่าถ้าพวกเธอยังติดการทำบาปติดการเสพอ บ, บายมุกอยู่ถ้าพวกเธอต้องการที่จะหลุดออกจากวงจรอุบาอันนี้พวกเธอก็ต้องหยุดการกระทำเหล่านี้ต้องระ ง, งับก า, การกระทำบาปทั้งปวง ตอนนี้ใครกำลังยังชอบดื่มสุราอยู่ก็ควรจะเลิกได้ถ้าไม่อยากจะเสี่ยงกับการไปเกิดนายบายชอบเล่นการพนันแทงหวยอย่างนี้ก็เลิกเสียชอบเที่ยวเตระไม่ทำมาหากินทำงานทำการก็ควรที่จะเลิกเสพบายามุกถ้า หาเงินหาทองหาโดยวิธีโกหกหลอกลวงช่อโกงคอร์รัปชันรักทรัพย์ของผู้อื่นก็ควรที่จะเลิกเสียถ้าไม่อยากที่จะติดอยู่ในวงจรอุบาทอันนี้เกิดตายแล้วก็ไปเกิดในอบายพอพ้นจากอบายกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็กลับมาทำแบบเดิมอีกต้องหยุดวงจรอุบาทนี้ด้วยการไม่กระทำบาปทั้งปวง นี่แหละทำไมพระพุทธเจ้าถึงส่งสอนให้พวกเราละ ก, การกระทําบาปทั้งปวงเพื่อดึงให้จิตใจของพวกเราออกจากวงจรอุบาทันนี้ไม่ให้เราไปติดอยู่ในอบายนั่นเองพอเราออกจากวงจรอุบาทได้แล้วเราก็จะได้สามารถขึ้นสู่ระดับที่สูงกว่าของการเป็นมนุษย์ได้การที่จะยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นจากการเป็นมนุษย์ไปสู่ ที่สูงกว่าพบที่สูงกว่าพบของมนุษย์ก็คือพบของเทวดาเทวดาทั้งหลายมีอยู่หกระดับด้วยกันหกชั้นด้วยกันจะขึ้นไปได้ก็อยู่ที่การทำบุญนี่เองพอเราไม่ทำบาปแล้วขั้นที่สองคือเราต้องทำบุญกันบุญนี้ก็มีทำได้หลายวิธีไม่จำเป็นจะต้องทำด้วยเงินทองเพียงอย่างเดียวไม่มีเงินทองก็ทาด้วย วาจาก็ได้ทำด้วยร่างกายของเราก็ได้ถ้ามีเงินทองก็ใช้เงินทองก็ได้เช่นวันนี้ญาติโยมมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ก็แบ่งมาให้พระสงฆ์องค์เจ้าได้ใช้บ้างอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญด้วยเงินทองถ้าไม่มีเงินทองมาวัดมาช่วยล้างซ้วมก็ได้มาช่วยกันทำความสะอาด พื้นที่ก็ได้เก็บใบไม้กวาดใบไม้อันนี้ก็ได้บุญเหมือนกันหรือถ้าจะใช้วาจาก็ถ้าเรามีความรู้เราเอาไปสอนคนที่เขาไม่รู้เพื่อเขาจะได้เอาความรู้นี้ไปทำมาหากิจได้จะรู้จักวิธีทำกับข้าวกับปลาอาหารไปสอนคนที่เขาอยากจะเรียนพอเขาได้ความรู้อันนี้เขาก็ไปขายของได้ไปขาย อาหารได้ไปทําอาหารขายได้หรือสอนให้เขาทำเผ้าผมทําเแลบทําอะไรเสริมสวยความงามก็ได้สอนให้ตัดตัดเย็บเสื้อผ้าก็ได้หรือสอนวิชาอื่นต่างๆสมัยใหม่เด็กกําลังอยากจะเรียนพิเศษกันอยากจะเรียนวิชาคณิตอยากจะเรียนวิทยาวิทยาศาสตร์ถ้าเรามีความรู้ทางคณิตศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ ก็สอนเด็กที่อยากจะเรียนพิเศษให้เขาเรียนฟรีก็ได้ไม่เก็บตังค์อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญเหมือนกันทำได้ทั้งทางกายทางวาจาและทางทรัพย์สินทางข้าวของเงินท อ, ง, องนี้เรียกว่าเป็นการยกระดับของจิตใจให้สูงให้ขึ้นไปสู่ภพของเทพเพราะการจะออกจาก สังสารวัฏออกจากตายภพได้นี้ต้องขึ้นสูงไม่ใช่ลงต่ำถ้าลงต่ำยิ่งยากต่อยิ่งเข้าไปลึกในตายภพถ้าอยากจะออกจากตายภพนี้ต้องขึ้นสูงต้องดึงจิตใจให้ขึ้นสูงจากมนุษย์ไปสู่เทพเนี่ยตอนนี้พวกเราเป็นมนุษย์กันแต่วันนี้เรามาทำบุญนี้เราเริ่มยกระดับของเราขึ้นสู่ระดับเทพแล้ว ถ้าเราทำบ่อยๆทาเรื่อยๆเราก็จะขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนพอเราทำเต็มที่ของการทำทานแล้วเราก็จะขึ้นสู่ระดับสูงสุดของของเทพ<ม>คือพวกที่ทำบุญแบบหมดเนื้อหมดตัวมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเท่าไหร่ก็สละไปหมดเพราะจากจะขึ้นไปสู่ระดับที่สูงกว่าเทพคือระดับพรหมนั่นเอง ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับพรมด้านนี้ต้องไปบวชกันเมื่อไปบวชก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินทองก็เอาเงินทองที่มีอยู่นี้ยกให้คนอื่นไปก็เรียกว่าได้ทำบุญขั้นสูงสุดของการเป็นเทพเราทำงานมีเงินทองทรัพสมบัติเท่าไหร่เราบรยจากไปหมดแล้วเราก็ไปอยู่แบบนักบวชพอเราไปอยู่นักบวชเราก็จะออกจาก เทพออกจากการมาพบได้ออกจากพบของมนุษย์ออกจากพบของเทวดาเพื่อเข้าสู่รูปพบและอรูปพบต่อไปขึ้นสูงขึ้นนี่คือทางออกทางไปสู่พระนิพพานต้องออกจากพบของมนุษย์ออกจากพบของเทพออกจากพบของพรหมแล้วถึงจะสามารถเข้าสู่พบของพระอริยะเจ้าได้พบของพระอริยะเจ้านี้ เมื่อเข้าไปแล้วจะไม่กลับมาถ้ากลับมาก็ไม่มากกว่าเจดชาติเป็นอย่างมากถ้าสมมุติว่าพอพ้นจากภพของเทพแล้วไปบวชได้ไปฝึกนั่งสมาธิทําใจให้สงบให้เข้าฌานต่างๆได้ก็จะเข้าสู่ภพของพรหมซึ่งมีสองระดับพรหมที่มีรูปรกับพรหมกับพรหมที่ไม่มีรูป เราเรียกว่ารูปภพกับอรูปภพเนี่ยพร้อมที่มีรูปนี้อยู่ในรูปภพพร้อมที่ไม่มีรูปนี้อยู่ในอรูปภพเนี่ยการที่จะเข้าสู่รูปภพอรูปภพก็ต้องนั่งสมาธิเข้าฌานถ้าเข้าสู่ขั้นระดับรูปฌานได้ก็จะเข้าสู่ขั้นระดับของรูปภพถ้าทำให้จิตสงบมากกว่ารูปฌานคือขั้นอรูปฌานได้ก็จะ เข้าไปสู่ระดับอรูปประภมต่อไปพอเข้าสู่ระดับรูปประภมหรืออรูปประภมได้แล้วก็สามารถที่จะออกจากภพนี้ไปสู่ภพของพระ อ, อริยเจ้าได้ภพของพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพลระอรหันต์ภพของพระโสดาบันนี้ก็ต้องมีแสงสว่างแห่งธรรมพาให้ออกไป ผู้ที่ไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมนี้ก็จะติดอยู่ในรูปภพอรูปภพหรือกามภพแต่พอมีแสงสว่างแห่งธรรมก็จะรู้ว่าอะไรเป็นตัวที่ทําให้เราติดอยู่ในรูปภพอรูปภพหรือกามภพผู้ที่มีแสงสว่างแห่งธรรมคือเห็นอริยสัจสีเห็นใจ ล, ลักนี้ เราเห็นว่าสิ่งที่ดึงดูดให้จิตใจยังกลับมาเกิดในตายพบอยู่ก็คือตัณหาความอยากทั้งสามนี่เความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสที่เรียกว่ากามาตัณหาก็คือตัวที่จะดึงให้กลับมาเกิดในกามาพบเกิดในพบของมนุษย์พบของเทวดาถ้ามีภาวะตัณหาก็คือความอยากมีอยากเป็น ก็จะเป็นตัวที่พาให้ไปเกิดในรูปภพไปเกิดในภพของผมถ้ามีวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็จะพาให้ไปเกิดในอรูปภพนี่คือความรู้ที่ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว ความรู้อย่างอื่นเนี่ยความรู้ที่ยอยกจิตให้ขึ้นสูงนี้มีคนรู้ก่อนพระพุทธเจ้ามามาตัดจะรู้รู้วิธีปิดประตูบายไม่ทำบาปไม่เสพะบยมุครู้วิธียกจิตให้ขึ้นจากมนุษย์ไปสู่เทพจากเทพไปสู่พรหมด้วยการทำบุญทาทานด้วยการนั่งสมาธิเป็นต้นนแต่ไม่มีใครรู้ว่าจะทำอย่างไรให้จิตออกจากตายภพนี้ไปได้ พอถึงแม้ว่าจะได้ไปเกิดในภพที่สูงเช่นรูปภพหรืออรูปภพหรือภพของเทวดาภพเหล่านี้ก็ยังอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษ์อยู่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแปลว่ายังไม่เที่ยงยังมีวันเสื่อมได้ได้เป็นเทพแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมลงมาเป็นมนุษย์ใหม่ได้เป็นพรหมก็เดี๋ยวก็ต้องเสื่อมลงมาเป็นเทพจากเทพก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ พอมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่มาทุกข์กับการเป็นมนุษย์ใหม่อันนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะทําอย่างไรให้ออกจากตายภพไปได้เพราะไม่มีใครมีดวงตาเห็นธรรมเหมือนกับพระพุทธเจ้าธรรมที่ต้องเห็นก็คืออริยสัจสี่อริยสัจสีนี้จะแสดงให้เห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดในตายภพนี้ เกิดจากความอยากสามชนิดด้วยกันคกอหนึ่งกามตันหาความอยากเสพกามอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผพทะพะถ้ามีความอยากเสพกามก็จะดึงให้กลับมาเกิดในกา ม, มาภพบพบของมนุษย์พบของเทวดาและพบของเดรัจฉานเปรตอสุรกายนารกนี่อยู่ในกา ม, มาภพถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดในกา ม, มาภพก็ต้อง ตัดการเสพกามให้ได้หยุดการเสพรูปเสียงกิดนสดอย่างที่พวกเราเสพกันทุก่อนนี้เนี่ยพวกเราวันวันหนึ่งไม่ได้ทาอะไรหรอกหาแต่รูปเสียงกิดนสดมาเสพกันอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากจะกินไอ้นั่นเดี๋ยวก็อยากจะดื่มไม่นี่เดี๋ยวก็อยากจะดูไอ้นั่นเดี๋ยวก็อยากจะฟังไอ้นี่เดี๋ยวอยากจะเล่นเดี๋ยวอยากจะไปนู่นมานี่นี่เป็นเรื่องของการเสพกรามทั้งนั้นเสพรูปเสียงกิดนสดต่างๆ ถึงทำให้เราต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆพอมาเป็นมนุษย์ก็ต้องเหนื่อยม่ตอนเป็นเด็กก็ต้องไปโรงเรียนต้องเรียนหนังสือต้องทำอะไรที่เราไม่อยากทำกันถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ไม่ทำเดี๋ยวยิ่งโง่ยิ่งนำบากใหญ่ก็เลยต้องอดทนต้องพยายามไปเรียนหนังสือเรียนให้สูงสอบให้ผ่าน พอเรียนจบก็ต้องมาหางานทำต้องมาเหนื่อยกับการทํางานหาเงินหาทองอีกกว่าจะได้เอาเงินนี้มามาเสพกามกันมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสกันแล้วพอถ้าเงินทองขาดมือไม่พอใช้ก็เดือดร้อนอีกเงินทองไม่พอใช้บางทีใช้มากเกินไปนี่มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นพอมาเกิดเป็นมนุษย์ ไม่ใช่จะมีแต่ความสุขอย่างเดียวการไม่มาเกิดเป็นมนุษย์ตะดีกว่าไม่ต้องมาวุ่นวายแบบที่เรากำลังวุ่นวายกันอยู่ในขณะนี้ไม่ต้องมาทุกมาลำบากกันแบบที่เรากำลังทุกลำบากกันในขณะนี้ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดในการมาพบก็ต้องหยุดการเสพกามให้ได้ เวลาอยากดูอะไรก็อยา่าดูอยากดูหนังก็ไม่ดูดูหนังสือแทนดีกว่าดูธรรมะดูหลวงพ่อเทศดีกว่าอยากจะฟังอะไรก็ฟังธรรมะดีกว่าเพราะธรรมะจะทำให้ใจสงบทำให้ใจเย็นมีความสุขเป็นการหาความสุขแบบไม่มีไม่มีพิษมีภัยการการเจบธรรมะนี้จะพาให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราเสบรูปเสียงกิดรดมันก็จะดึงให้เรากลับมาเกิดใน กล้มาพบนะถ้าเราไปเสพการนั่งสมาธิมันก็จะพาให้เราต้องกลับมาเกิดเป็นพรหมพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไปบวชไปนั่งสมาธิกันก็จะเข้าฌานขั้นต่างๆพอตายไปก็ไปเกิดเป็นพรหมพอกำลังของสมาธิเสื่อมลงก็จะเลื่อนลงมาเป็นเทพจากเทพก็จะเลื่อนลงมาเป็นมนุษย์ใหม่ มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดในใตายพบก็ต้องตัดความอยากทั้งสามนี้กามาตันหาคือความอยากกลับมาเกิดในกามาพบภาวะตันหาความอยากจะกลับมาเกิดในรูปภพวิภาวะตันหาความอยากจะกลับมาเกิดในอรูปภพนี่เองวิธีที่จะไม่กลับมาเกิดก็ต้องหยุดตันหาทั้งสามนี้ จะหยุดได้ก็ต้องมีสติมีปัญญาเป็นผู้ที่จะห้ามความอยากได้ต้องมีปัญญาเห็นว่าการเสบรูปเสียงกิจลดการเสบชาญขั้นต่างๆเป็นการดึงจิตใจให้กลับมาเกิดในตายพบถ้าไม่ต้องการจะกลับมาเกิดในตายพบก็ต้องหยุดการเสบกามเสพชาญขั้นต่างๆ แล้วใจก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในตายภพอีกต่อไปอันนี้เป็นความรู้ที่มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่สรงค้นพบเนี่ยไม่มีใครรู้ทางนี้รู้เพียงแต่ทางไปสู่พบต่างๆการมาพบรูปพบอรูปพบแต่ไม่รู้จากทางที่จะออกจากตายภพมีพระพุทธเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่มาพบทาง คือเห็นอริยสัจสี 4. เห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดในตายภพนี้เกิดจากกามะตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาถ้าอยากจะหุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในตายภพก็ต้องหยุดกามะตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหาสิ่งที่จะมาทำให้เราหยุดตัญหาทั้งสามนี้ได้ก็คือ การกระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือหนึ่งไม่ทำบาปสองทำแต่บุญสชํชำระความโลภชระความอยากทั้งสามที่มีอยู่ในใจให้หมดไปการชำระนี่ก็ต้องชำระด้วยการภาวนาสามถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสามถะก็ทำใจให้สงบก่อนเป็นฌานก่อน แล้วพอออกจากฌานมาก็สอนให้ปล่อยวางให้ละความอยากต่างๆละความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสละความอยากเข้าฌานขั้นต่างๆพอละได้หมดแล้วใจก็จะไม่ติดในตายพเพราะเปต่อไปใจก็จะไปถึงพระ น, นิพพานที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดแต่เป็นที่ที่มีความ สงบมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขของพระนิพพานนี้สุขมากกว่าความสุขของมนุษย์สุขมากกว่าความสุขของเทวดาสุขมากกว่าความสุขของพรหมเพราะว่านอกจากมากกว่าแล้วยังถาวรด้วยไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดคนที่ไปถึงนิพพานจึงไม่จำเป็นที่จะต้องกลับมาเติมความสุข เหมือนกับพวกที่ยังอยู่ในตายภพอยู่พวกที่อยู่ในตายภพเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเวลาที่มาเติมความสุขระดับต่างๆพวกที่อยากจะกลับไปเป็นเทวดาพอมาเป็นมนุษย์ก็ต้องมารักษาศีลมาทำบุญทำทานกันพวกที่อยากจะกลับไปเป็นพรหมก็ต้องกลับมาถือศีลแปดบวชออกบวชแล้วก็มาฝึกสมาธิกัน ถึงจะสามารถกลับไปสู่ภพที่เคยไปได้แต่ไปได้กี่ครั้งเดี๋ยวก็ต้องกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกเพราะภพแต่ละภพนี่มันไม่เที่ยงมันมีวันเสื่อมมีวันหมดได้ก็จะต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดแต่อย่างน้อยก็เป็นการเวียนว่ายตายเกิดในซีกที่ดีที่เรียกว่าสุคติถ้าไม่ทําบาปทําบุญนั่งสมาธิเนี่ย ตายไปก็จะไปเกิดในภพของเทวดาภพของพรหมแล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่ฝ่ายดีฝ่ายบุญฝ่ายกุศลเป็นมนุษย์ที่ไม่ชอบทําบาปเป็นมนุษย์ที่ชอบทำบุญชอบนั่งสมาธิเพราะมันจะติดเป็นนิสัยมานั่นเองก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในที่ของสุขคติไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาพบกับพภพ พุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่จะบอกว่าถึงแม้ว่าจะเดินเวียนไหา้ตายเกิดในที่ของสุคติก็ดีแต่มันก็ยังมีความทุกข์อยู่สู้อยากกลับมาเวียนวหา้ตายเกิดดีกว่าถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนไห้ตายเกิดก็ต้องคอยกำจัดความอยากทั้งสามนี้ ความอยากในกามความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้ากำจัดมันได้ต่อไปมันก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องมาทุกกับการพัดพรากจากกันเพวกเราต่อไปนี้จะต้องเจอความแก่เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอความตาย จะต้องเจอการพัดพากจากกันเราเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันไปตลอดวันหนึ่งจะต้องมีวันจากกันแล้ววันนั้นเราถึงจะรู้ลิกของความทุกข์ว่ามันเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อว่าความทุกข์เหล่านี้มันร้ายกาจเราควรที่จะป้องกันเลือยุติมัน เราก็มาทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้ากันถ้าเรายังเสพอบายามุกอยู่ก็มาเลิกเสพกันถ้าเราทําบาปอยู่ก็มาเลิกทํากันถ้าเรายังไม่ได้ทําบุญก็มาหัดทํากันถ้าเรายังชําระจิตยังไม่ได้ชําระจิตใจยังไม่ได้หยุดความโลภความอยากต่างๆก็ให้มาหยุดกันพยายามฝืนใจตัวเอง ฝืนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ง่ายขึ้นไปใหม่ๆมันจะรู้สึกยากเพราะเราไม่เคยทำแต่พอเราเริ่มทำแล้วมันก็จะรู้สึกง่ายขึ้นไปเองอยากจะเที่ยวฝืนใจครั้งที่หนึ่งได้ครั้งที่สองมันก็จะง่ายขึ้นเหมือนคนที่จะเลิกสุรานี่เวลาจะเลิกครั้งแรกรู้สึกมันยากแต่พอฝืนได้ครั้งแรกแล้วครั้งที่สองก็จะรู้สึกว่าง่ายขึ้น ทั้งที่สามก็จะยิ่งง่ายขึ้นไปเดี๋ยวก็จะทำให้เลิกสุเลิกดื่มสุราได้เลิกเที่ยวได้เลิกทำบาปได้แล้วบางการทำบุญก็ต้องบังคับถึงจะทำได้เพราะเราไม่เคยทำเราไม่ชอบทำเราก็ต้องบังคับบังคับทำจากน้อยไปหามากก่อนตอนต้นทำมากมันจะยากก็ทำแบบง่ายทำน้อยๆทาไป พอทำแล้วเห็นว่าทำแล้วมีความสุขทำให้ใจสบายก็อยากจะทำมากขึ้นไปเองต่อไปก็ทำได้หมดเลยมีเท่าไหร่ก็อยากให้หมดเลยเพราะมีกลับเป็นทุกข์มากกว่าไม่มีเวลาไม่มีแล้วใจโล่งใจสบายเวลามีแล้วต้องกังวลว่างเงินทองจะเก็บไว้ที่ไหนดีจะหายหรือไม่หายจะเอาไปใช้อะไรก็ต้อง ไปใช้กับกิเลสก็ต้องสู้กับมันอีกพอไม่มีเงินทองก็ไม่มีอะไรต้องไปสู้กับกิเลสให้เหนื่อยเปล่ า, ลาอันนี้คือขั้นตอนของการที่เราจะาพาจิตใจของเราให้ออกจากตายภพออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เราต้องทาต้องเลิกทําในสิ่งที่เราทำคอบาปกรรมและอบายมุก แล้วทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำคือทาบุญทาบุญแล้วก็ไปหัดถือศีลไปหัดอยู่วัดหัดเป็นนักบวชถือศีลแปดไปหัดนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากยิ่งศึกษามากยิ่งจะเห็นทางออกได้ง่ายได้ชัดขึ้นมากขึ้นแล้วจะทำให้การเดินทางออกไปง่ายขึ้นตามลาดับนะ นี่คือวิธีการที่จะพาให้พวกเราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็คือให้เราเข้าหาแสงสว่างแห่งธรรมศึกษาธรรมฟังเทศฟังธรรมอย่างวันนี้กลับไปก็ต้องทำต่อถ้าเราไม่ทำเดี๋ยวเราก็ลืมเพราะว่าเดี๋ยวเราไปทำเรื่องอื่นคิดเรื่องอื่นเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังวันนี้ก็จะหายไปต้องพยายาม ฟังอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆหรืออ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆให้มีธรรมะคอยสอนใจเราอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่หลงทางไม่ลืมทางนี้เองเกาคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลัง เอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิทิตังปฏิตังตุ მ หังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพอปุเรนตตสังกปาจันโทปันะระโสยทามณิโชติ ภราสุยทัสสะพีติโยวิวัชฉันตุสัพพโรโควินัสตุมัเตภวตวันตารายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธานสีลฤทธานิจังมุธาปะจายโนจตารุธรรมาวะธานติ อายุวันโสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้เดี๋ยวแป๊บหนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มถามาจะให้ถาม ตอนนี้ยังอยู่ขั้นกำลังเตรียมตัวอยู่ถ้าใครถามถามช่วงนี้นะเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วจะไม่ให้ถามถามได้แต่เฉพาะช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ วันนี้ยอดติดตามบน Facebook นะคะมี238ท่านค่ะ YouTube 198ท่านวิทีุออนไลน์18ท่านผู้รับฟังบนเขา143ท่านรวมทั้งหมดมี597ท่านค่ะโอเคมีผู้อยากจะถามคำถามช่วยส่งไมโครโฟนไปให้หน่อยโยมช่วยพูดใกล้ๆปากหน่อยนะจะได้ยินเสียง การนมัสการท่านอาจารย์นะคะเดิฉันมาจากสุพรรณบุรีค่ะอยากจะถามท่านอาจารย์ว่าการที่เราบริจาคลงศพเนี่ยเราบริจาคแบบสดๆดร้อนๆ้อโดยไม่ได้ทําพิธีเนี่ยบุญมันจะถึงไหมคะถึงพิธีไม่เกี่ยว่พิธีเหมือนผักชีโรยหนะ้า อ, อาหารนี่เช่นเนื้อทอดนี่จะมีผักชีไม่มีผักชีก็ก็ยังเป็นเนื้อทอดอยู่กินแล้วก็อิ่ม มีผักชีแล้วไม่มีกินมันก็ไม่ทําให้อิ่มขึ้นมันเพียงแต่ทําให้ดูหน้าดูน่ากินขึ้นนั่นเองพิธีกรรมก็เป็นการกระทําเพื่อให้อได้เห็นภาพว่ามันทําอย่างไรกันมีการกล่าวมีการบอกมีการมารับอะไรทํานองนี้แต่ไม่มีพิธีก็ไม่ไม่ทําให้บุญหายไปแต่อย่างใดบุญที่เราทําก็ยังได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ไม่ต้องกังวลนะ กลับจะดีกว่าจะไม่วุ่นวายไม่ต้องยุ่งยากบางทีอย่าทำพิธียังต้องไปเดือดร้อนคนนู้นคนนี้มาไม่ต้องทำก็ได้ยกไปให้คนที่เขาจะเไปใช้เลยอ่า้อ่าก็คนคนตายเราก็บวชจากได้เลยได้เลยอ่าได้ได้เลยสาธุอเน่กราบนมาส ก, การเจ้าค่ะ หนูจะถามว่าแม่หนูพาหนูมาเมืองไทยเพื่อจะมาเอาแฟนคนไทยค่ะแล้วเขาหลอกเอาเงินแม่หนูแม่หนูยอมขายบ้านขายรถเพื่อจะเอาเงินให้เขาไปซื้อสุรากินดื่มค่ะแล้วทีนี้หนูไม่สบายใจหนูควรทำยังไงดีเจ้าคะก็คิดว่าแม่เป็นหนี้เขาก็แล้วกันเขามาทวงหนี้เงินที่ เป็นของแม่บ้านที่เป็นของแม่นี้ไม่ได้เป็นของแม่เป็นของเขาเขามาขอคืนไปก็ให้เขาเอาไปถ้าเขาเอาไปได้ก็ให้เขาเอาไปเราหาใหม่ก็ได้เดี๋ยวเราเรียนหนังสือเดี๋ยวเราโตขึ้นเราก็ไปทำงานหาเงินหาทองของเราเองแล้วเราก็ไปซื้อบ้านซื้ออะไรของเราได้ตอนนี้ถือว่าของพวกนี้ไม่ใช่เป็นของเรา เจ้าของก็จะมาเอาไปเราก็ห้ามเขาไม่ได้เหมือนถ้าเป็นของของเราเวลาเราอยากจะเอาคืนแล้วก็ไปเอาคืนมาใช่ไมอ่อย่างั้นก็ต้องคืนเข้าไปอ่ไม่ต้องไปเสียใจอ่อยู่ที่ไหนก็ได้อะอยู่ใต้คนต้นไม้ก็ได้อยู่ใต้สะพานก็ได้อขอให้หลบดาษหลบฝนได้ก็อยู่ได้อ่ไม่สําคัญสําคัญที่จิตใจเราอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปเสียใจ ต่อให้อยู่ในคอนโดหรูหราแต่ถ้ามีความเสียใจก็สู้อยู่ใต้สะพานแบบไม่มีความเสียใจไม่ได้เหตุนเราต้องมารักษาใจของเราไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของร่างกายมากเกินไปมีที่อยู่ให้มันอยู่ก็อยู่ไปดีบ้างไม่ดีบ้างก็ไม่เป็นไรไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวมันก็ต้องตายไปอยู่ดีแต่ใจของเราไม่ตาย เราต้องพยายามรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้ไม่สบายให้ใจของเราสบายแล้วอยู่ที่ไหนก็มีความสุขมีหรือไม่มีอะไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเข้าใจไมัมฉะนั้นต้องทาใจนะที่ว่าไม่ใช่เป็นของเราเป็นของที่เรายืมเขามาตอนนี้เขามาทวงคืนก็ให้เขาไป อยากจะถามไห ม, <ผ>มนี่ทางนี้ทางนี้ไม่ยกมืออะไรไม่รู้เดี๋ยวนั่งตรงนั้นอนัเดี๋ยวส่งไปให้กับท่านอาจารย์ผมจากดาราธิวาสฮะคือเคาะกันที่มันเกิดขึ้นในสามจังหวัดเนี่ยแล้วพุ่งประเด็นมาที่พระศาสนาอย่างไร้ายแรงเลยเมื่อต้นปีนี้ยิงเจ้าวาดตายที่วดัดโตเด่งผมอยากจะรู้ว่า ก็กรรมที่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะลดลงหรือเปล่าครับสําหรับพระพุทธศาสนาเนี่ย โ, โลกนี้มันเป็นโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนนไม่มีใครไปกําหนดอนาคตได้มันมีขึ้นมันก็มีลงได้มีดีก็มีไม่ดีได้งั้นทางศาสนาพุทธเราไม่ค่อยกังวลกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะเรารู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลก มีเจริญก็ต้องมีเสื่อมมีเสื่อมแล้วเดี๋ยวก็มีเจริญขึ้นมาใหม่มันก็ขึ้นขึ้ น, นลงๆงของมันไปแต่ส่วนที่เราควรจะสให้ความสำคัญก็คือความรู้สึกของใจเรามากกว่าถ้าเรารู้สึกรักษาใจของเราไม่ให้เสียใจไปกับเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆจะร้ายแล้วร้ายและอันขนาดไหนก็ไม่ทำให้เราเสียใจได้อย่างนี้ดีกว่า มันไม่ใช่ผมคนเดียวก็อาจารย์มันเป็นคนพุทธทั้งหมดเนะี่ยนั่นแหละก็คนพุทธก็ต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยสอนให้เราปล่อยวางของทั้งอย่างที่มีอยู่นี่มันไม่ได้เป็นของเราบางทีก็ต้งได้มาบางทีก็ต้องเสียไปแต่เราสิ่งที่เป็นของเราสิ่งที่เราดูแลรักษาได้คือใจของเราให้เรามาดูแลรักษาใจของเราให้สงบให้สุข แล้วไม่ว่าเราจะได้จะเสียอะไรเราจะไม่เดือดร้อนมีโอกาสไหมครับมีโอกาสที่พระศาสนาจะดํารงคงอยู่ในสามจังหวัดได้ดีหรือเปล่าอันอันนี้เราก็ไปกําหนดไม่ได้มันจะมีก็มีมันไม่มีก็ไม่มีเมื่อก่อนมันก็ไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีเดี๋ยวต่อไปมันก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมีก็ได้มันไม่แน่นอนศาสนามันก็ขึ้นขึ้นลงลงเหมือน พอุตจ้าก็ทรงพยากรว่ า, าศาสนาพุทธก็จะอยู่ในโลกนี้ได้ห้าพันปีถ้ามันไม่ได้อยู่ในเมืองไทยมันอาจจะย้ายไปอยู่ที่เมืองนอกก็ได้เดี๋ยวนี้มีพระฝรั่งมาบวชแล้วก็กลับไปตั้งวัดตั้งอะไรที่ต่างประเทศกันต่อไปถ้าคนไทยเราไม่มีาศาสนาพุทธมันก็มีาศาสนาพุทธอยู่ที่อื่นต่อไปเมื่อก่อนก็อยู่ในอนะินเดียเดี๋ยวนี้ในอินเดียแทบจะไม่มีเหลืออยู่แล้ว มันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับนั้นเราอย่าไปดีใจเสียใจไปกับมันสิ่งที่เราสามารถทําให้เจริญไม่เสื่อมไม่ดับได้ก็คือจิตใจของพวกเราอย่างที่เทศสอนวันนี้ให้ทําตามที่พุทธเจ้าสอนแล้วจิตใจของเราจะมีแต่เจริญจะไม่มีวันเสื่อมคือละการกระทําบาปทั้งปวงทําบุญทํากุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม ชำราใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วใจของเราจะมีแต่ความสุขความเจริญจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับการเสื่อมหรือการสูญหายของศาสนาเพราะจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ว่าผมผมเนะ้โดยส่วนตัวแล้วผมเป็นห่วงว่าศาสนาจะอยู่ไม่ได้ด้วยด้วยเหตุผลที่ว่าสุดท้ายนะสมเด็จเองท่านยังอาสา คือหมายถึงว่าพระสงฆ์ที่อาสาจะลงสามจังหวัดเนี่ยในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็มีพระที่ลงที่รับอาสาลงไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านเพราะจริงๆแล้วขณะนี้นะวัดที่ในสามจังหวัดเนี่ยบางวัดมีอยู่พระอยู่รูปเดียวเงี้ยอย่าง mm hmm. วัดโต๊ะเดงเงี้ย mm hmm. ที่ข้างสถานีรถไฟ mm hmm. แล้วก็วัดซึ่งใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็จะมีแค่ห้ารูป เต็มที่เลยแล้วเวลาถ้าจะทำพิธีใหญ่ๆนี่ก็ต้องไปนิมนต์พระอย่างน้อยสามวัดไอ้สิ่งเหล่านี้นี่ฮะที่เป็นห่วงกันอยู่นะครับก็เลยเ้าเข้าใจเข้าใจความกังวลของญาติโยมแต่ก็เป็นเรื่องของความจริงของชีวิตของโลกมันเป็นอย่างนี้ทำได้ก็ทำไปอนุรักษ์ได้ก็อนุรักษ์กันไป อนุรัก์ไม่ได้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงไปครับหมดคำถามโ okay. อเคธรร ม, ส, มสการครับก็จะถามานี้ครับคือปกติก็ใจมันก็สงบอยู่แล้วเป็นปกติแต่ว่าพออยู่กับสังคมอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราก็เหมือนก็ตามใจเพื่อนไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันติดอะไร แต่ว่าคือบางทีมันก็ไม่ได้แยกออกมาว่าอะไรมันกิเลสหรือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํามันก็ทําไปเฉยๆอย่างเงี้ยครับหรือว่าอย่างเงี้ยควรจะทํำยังไงหรือว่ามีต้องใช้อะไรบ้างเป็นกําลังในการตัดกิเลสส่วนนี้อย่างเงี้ยครับพระอาจารย์คือเราก็ต้องรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรที่เราทําได้อะไรที่เราทํไทาทไม่ได้ถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องศึกษาพราะธรรมขับสอน อย่างที่วันนี้สอนว่าสิ่งที่เราทำไม่ได้ก็คือการเสพบาบายามุกการทำบาปเนี่ยไม่ว่าใครจะมาขอร้องมาบอกให้เราทำต่อให้เขาเป็นเพื่อนที่รักที่สุดของเราเราก็ไม่ควรทำตามที่เขาบอกอเพราะว่ามันเป็นการทำให้เราเสียหายต่อไปนั้นอย่าเสพบาบายามุกเช่นเดิมสุราเล่นการพนันเที่ยวเตะ เกียดคร้านคบคนชอบอบาอยามุขเป็นมิตรเนี่ยถ้าไปชบคบเพื่อนที่เขาชอบดื่มเขาก็จะชวนเราไปดื่มเนี่ยนะคบเพื่อนที่ชอบเล่นการพ น, นันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพ น, นันเราก็อยากไปคบกับเขาหรืออยากไปทำตามเขาถ้าเขาไม่อยากจะคบกับเราก็ไม่เป็นไรคนแบบนี้คบไปเราก็เสียหายเปล่าๆคบคนที่ไม่ทำความเสียหายให้กับเราดีกว่า มีคนเยอะแยะไปไม่ใช่มีแค่คนสองสามคนในโลกนี้โลกนี้ในประเทศนี้มีคนต้องหกสิบเจ็ดสิบล้านคนเลือกครบคที่เขาไม่ทำให้เราเสียหายดีกว่าอันนี้คือเราต้องรู้ว่าอะไรที่เราทำได้อะไรที่เราทำไม่ได้สิ่งที่เราทำไม่ได้ก็คืออบายามุขแล้วก็การทำบาปนี้ทำไม่ได้ส่วนที่เราทำได้และควรทำก็คือทำบุญช่วยเหลือกัน ให้ความเมตตาต่อกันดูแลกันใครเดือดร้อนเสียหายขาดแคนอะไรที่ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายก็ช่วยเขาไปไม่ใช่ไปช่วยซื้อสุราให้คนที่เขาไม่มีสุราดื่มได้ดื่มอย่างนี้ไม่ใช่แต่ช่วยให้คนที่เขาไม่มีข้าวกินได้มีข้าวกินช่วยให้คนที่ไม่มีเสื้อผ้าได้ให้เขามีเสื้อผ้าใส่ไม่มีบ้านอยู่ก็หาบ้านให้เขาอยู่อย่างนี้ ทำแบบนี้แหละจะทำมีประโยชน์กับจิตใจของเราทำให้จิตใจของเรามีความสุขแล้วเวลาถ้าเหมือนกำลังเราเวลาจะแบบตัดกับกิเลสอย่างเงี้ยครับถ้ามันถ้ามันไม่มันมันไม่ผ่านกับกิเลสแล้วเราควรจะฝึกอะไรเพิ่มไหมครับ อ, อ๋อเราก็ต้องฝึกฝึกล็บกมีดที่จะมาตัดกิเลสนะมีดของเราตอนนี้มันทื่อฟันแล้วมันไม่เข้านะมีดของเราก็คือสติปัญญา เราต้องมาสร้างสติสร้างปัญญาสติก็คือการควบคุมใจให้นิ่งให้สงบไม่ให้คิดเช่นด้วยการใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธเวลาเราคิดไปในทางไม่ดีเราหยุดมันไม่ได้เราก็ใช้พุทโธพุทโธช่วยพอคิดจะไปดื่มสุลาก็พุทโธพุทโธพุทโธไปจำกัดมันจะลืมถ้ายังคิดถึงงานเดินสลาอยู่ก็อย่าหยุดอย่าหยุดพุทโธพุทโธไปสักพักเดี๋ยวมันก็ลืม เรื่องต่างๆที่เราคิดอยู่เมื่อก่อนที่เราจะมาว่าตอนนี้มันหายไปไหนหมดนล้เพราะเราไม่ไปคิดถึงมันเพะฉะนั้นทุกอย่างนี้เราสามารถลบมันออกจากใจได้ด้วยการใช้พุโทโธพุธโทโธแล้วขั้นต่อไปพอเราใช้พุโทโธอยู่มันไดน้ขั้นที่ต่อไปก็ใช้ปัญญามากําจัดมันปัญญาก็คือความถูกผิดดีชั่วนี้เองอะไรถูกอะไรผิดเนยทําบาปผิดเสพอบายามุขผิด มีความโลภความโกรธความหลงผิดอย่าไปทำตามมันต่อไปเราก็จะสามารถตัดกิเลสต่างๆได้หมดครับขอบคุณครับต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาต้องสามารถใช้พุทโธพุทโธหยุดความคิดหยุดกิเลสให้ได้ก่อนพอหยุดได้แล้วก็ใช้ปัญญามาสอนว่าทำไมเราถึงต้องเลิก เพราะมันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจของพวกเราทำให้จิตใจของเราร้อนหลนไม่สบายกินไม่ได้นอนไม่หลับนะโอเคมีใครอยากจะถามอีกยกมือขึ้นต่อไปค่ะนามาสการค่ะพระอาจารย์คือจะถามว่าคือหนูเคยได้ยินมาก็คือเกี่ยวกับสายธรรมะบางสายไยงค่ะที่ว่าเ้าเน้นให้ให้เราพิจารณา พิจารณาอนัตตาอย่างเดียวพิจารณาสุญญตาอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ว่าอย่างเรื่องศีลสมาธิอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่พระอาจารย์มีข้อคิดเห็นยังไงบ้างคะก็หมายความว่าสอนไม่ครบสูตรเนี่ยสูตรการศึกษาของศาสนานี้มีอยู่สามขั้นตอนทาทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาต้องสอนให้คนใจบุญทาบุญทาทานก่อนแล้วก็ นะรับการกระทําบาปด้วยการรักษาศีลพอรักษาศีลห้าได้ก็ให้หัดรักษาศีลแปดเพื่อที่จะได้ไปฝึกนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้พอใจสงบแล้วถึงจะมีกําลังที่จะไปจะเจริญทางปัญญาไปพิจารณาว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาได้แล้วก็ปล่อยวางได้การที่เราจะพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนัตตาเพื่อเราจะได้ไม่ไปยึดไปถือว่าเป็นของเราเป็นตัวเรานั่นเอง พอเราไม่ยึดไปถือว่าเป็นตัวเราของเราเราก็จะไม่ทุกข์ทุกวันนี้ที่เราทุกข์กันก็ทุกข์กับของที่เป็นของเราใช่ไหะของที่ไม่ใช่เป็นของเราเราไม่ทุกข์ใช่ไหบ้านคนอื่นน้ำจะท่วมเราไม่ทุกข์แต่พอบ้านเราน้ำทําท่าจะท่วมขึ้นมาเราก็เริ่มทุกข์ขึ้นมาก่อนนะแต่ถ้าถเรามองว่าบ้านของเราก็ไม่ใช่ของเราเป็นบ้านเราเช่าเขาหรือยืมเขามาเดี๋ยวก็ต้องคืนเจ้าของเขาไปจะท่วมก็เรื่องของมันไปเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน อันนี้เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติที่ที่พูดมานี่เป็นพวกขั้นสูงและอนัตตาี้ขั้นปัญญาถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนขั้นอุดมศึกษาขั้นปริญญาตีโทเอกเนีแต่ถ้ายังไม่ได้เรียนอนุบาลเรียนปถมหรือเรียนมัธยมมันไปเรียนไม่ได้อยู่ดีเรียนก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สามารถนำเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เตั้นต้องทาตามขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทา ต้องทาฝึกตั้งแต่ขั้นอนุบาลไปก่อนหัดทำบุญทำทานให้ได้ก่อนหัดรักษาศีลต่อไปจากศีลหน้าก็ไปศีลแปดแล้วก็จะได้ไปหัดนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้พอทาใจให้สงบได้ทีนี้ก็ไปเจริญปัญญาอันนี้จังทุกขังอนัตตาได้ต่อไป<ถ>เข้าใจนะแล้วพี่ ที่มีคนบอกว่าเราบางทีล้าละทางโลกแล้วเรามาทางธรรมแต่เราก็จะมาสร้างตัวตนทางธรรมอีกมันก็จะเป็นตัวตนอยู่ดีไงค่ะก็ตัวตนที่ดีก่อนี่ยดีกว่าตัวตนที่ไม่ดีถ้าอยู่ทางโลกก็ยังอาจจะไปทำบาปโกหกหลอกลวงได้พอมาทางธรรมก็เริ่มเป็นตัวตนที่ดีก่อนแล้วพอมีกำลังมีสติมีปัญญามากขึ้นก็จะมาลบล้างตัวตนที่ดีได้ ให้หายไปหมดได้ต้องอาศัยตัวตนไปก่อนเพราะเรายัางไม่มีกำลังที่จะไปลบมันออกก็ให้มันเป็นตัวตนที่ดีอย่าให้มันเป็นตัวตนที่ไม่ดีแล้วพอเรามีกำลังมีสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นเราก็จะลบตัวตนออกไปจากจิตใจของเราได้ค่ะขอบคุณค่ ะ, ะช่วยส่งไลน์กลับมาหน่อย อวันนี้มีคําถามดีๆหลายข้อนานๆจะมีคนมาถามกันบนใหญ่อาศัยคนทางบ้านถามมาอันนี้มีคนมาทิ้งที่มาถามกันอย่างนี้มีใครอยากจะถามไหมถามได้นะไม่เก็บตังค์เอาทางบ้านก่อนมีคําถามบนเขาฝากถามนะคะบุญคือความสุขใจ เวลาทำใช่ใหม่เจ้าคะแต่เวลาที่หนูไปเยี่ยมและทำบุญกับพระสงฆ์และผู้ป่วยคนพิการหนูรู้สึกใจเหี่ยวไม่สุขใจเจ้าคะ่ะไม่เหมือนทำกับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหนูจะได้บุญหรือเปล่าคะคือบุญบางอย่างมันมีก้างนรถ้าเราไปกินปลาที่มีก้างแล้วเรากินไม่เป็นแล้วก็อาจจะถูกก้างตำได้ ที่เวลาเราไปทําบุญกับคนแก่คนเจ็บนี่เราไปเห็นส่วนที่ไม่น่าดูของชีวิตคือเห็นความทุกข์ที่เรายังไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะได้ก็เหมือนไปกินปลาที่มีก้างแล้วก็ไปถูกก้างต่งาคอเนี่ถ้าเราไปทําบุญแบบนี้ยังมีความรู้สึกไม่สบายใจก็เปลี่ยนวิธีทําบุญแบบใหม่ไปทําทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าก่อนก็ได้อันนี้เป็นเหมือนทํากินปลาแบบไม่มีก้าง กินเข้าไปแล้วก็ อ, ร, อร่อยเคี้ยวเข้าไปเต็มปากไม่ต้องห่วงว่าจะมีก้างมาต่า ต, ต่อไปพอจิตใจเราแข็งขึ้นจเจริญมากขึ้นเรามีปัญญามากขึ้นต่อไปเราก็จะทํากับทําบุญกับส่วนที่มีภาพที่ไม่น่าชื่นชมให้เราเห็นได้เช่นไปช่วยคนแก่คนเจ็บคนตายอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับกําลังของจิตใจของพวกเรา ถ้าจิตใจยังอ่อนอยู่ก็อย่าเพิ่งไปทำบุญแบบนั้นทำบุญแบบที่มันไม่มีก้างมันไม่มีพิษมีภัยต่อจิตใจแต่ต่อไปถ้าจิตใจเรามีความสามารถที่จะแยกแยะก้างออกจากเนื้อได้ก็ไปกินปลาที่มีก้างได้มันอาจจะอร่อยกว่าปลาที่มีก้างมันอาจจะหวานกว่าปลาที่ไม่มีก้างถ้าเรารู้จักแยกแยะ ต่อไปทาบุญกับคนแก่คนเจ็บคนตายจะทำให้เราได้ปัญญาด้วยนอกจากได้บุญแล้วจะทำให้เรามีดวงตาเห็นธรรมด้วยเห็นอ น, นิจจังของชีวิตของร่างกายว่าเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาร่วงพ้นไปไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณเปรมิกาธน า, นาธัญวุฒจับแมวทำมหมันบาบใหมคะ พอดีมีแมวจร อ, อยู่แถวบ้านเป็นตัวผู้ชอบทำแมวสาวบ้านตรงข้ามท้องปีหนึ่งสองครอกนี่ก็ปาไปสี่ครอกกำลังจะเข้าสู่ครอกที่ห้าสงสารบ้านตรงข้ามค่ะหมอทาทำหมันไม่บาปนะทำหมันไม่ได้ไปฆ่าเขา เพียงแต่ห้ามการมีมีการตั้งท้องเท่านั้นเองก็ไม่เป็นการบาปไม่ว่าจะทํากับใครทํากับมนุษย์ทํากับแมวทํากับสุนัข ก, ก็ไม่บาปคำถามต่อไปจากคุณบุญส่งสินสมวงสกุลกราบในมัสการครับการพ่นยาป้องกันปลวกไว้ก่อนจะเป็นการทําบาปใหม่ครับคือไม่เห็นปลวกครับ ขอบกับขอบพระคุณครับไม่บาปหรอกถ้ายังไม่มีตัวดาวเพียงแต่ฉีดให้มันมีกลิ่นพอมันมาได้กลิ่นพอเข้าเข้าใกล้กลิ่นมันก็จะหนีไปคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามตอนเป็นเด็กพ่อพยายามประหยัดอย่างมากหากมีไม่พอก็ไปยืมเงินมาเพื่อส่งเสียเราเรียนจนจบ พอเราเรียนจบเริ่มทํางานพ่อออกจากงานเพื่อให้เราเลี้ยงดูตอนนี้จึงรู้สึกว่าไม่สามารถบวชได้เราควรจะตัดสินใจอย่างไรดีก็ทําดูแลพ่อไปก่อนจนกว่าพ่อจะตายไปแล้วก็ไปบวชก็ได้ตอนที่ยังไม่ได้บวชก็ยังศึกษาปฏิบัติทําได้เอาเวลาว่างจากการทํางาน ทางที่จะไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็เอามาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติทมไปตามตามลำพังก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนพอหมดภาระแล้วเราก็จะสามารถที่จะไปบวชไปทำภารกิจของเราได้อย่างเต็มที่ต่อไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะคะจะรักษาสติในการ พูดคุยขณะพูดคุยกับผู้อื่นอย่างไรเมื่อผู้อื่นพูดคุยถึงเรื่องอดีตอนาคตหรือเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องฝึกสติก่อนที่จะไปพบปะกับใครเบื้องต้นถ้าสติเ้าอ่อนก็เราไปปีกวิเวกไปพยายามสร้างสติขึ้นมาคอยควบคุมใจให้นิ่งให้สงบให้เฉยเฉยโดยการบริกรรมพุทโธพุทโธไป ต่อไปพอเรามีสติมีความสามารถทำใจให้นิ่งเราค่อยไปพบปะกับคนแล้วเราก็จะสามารถควบคุมใจเราให้ฟังเฉยๆได้โดยที่ไม่มีปฏิกิริยาต่อคำพูดของเขาได้คำถามต่อไปจากคุณธนากรขอโอกาสครับถ้าทำสมาะทั้งสองกองไปพร้อมกันได้หรือเปล่าครับอย่างเช่นว่า ถ้าเราเหนื่อยจากการจากสมถธกองนี้แล้วก็ไปทำสมรถอีกกองหนึ่งถือว่าจะเป็นการขัดกันหรือเปล่าครับถ้าตอนต้นสวนมนต์ไปหรือบริกรรมไปแล้วรู้สึกว่าอยากจะหยุดก็เปลี่ยนมาดูลมหายใจก็ได้ทำได้แคมถามข้อที่สองจากคุณธนากรถ้าศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ลงมือปฏิบัติโดยไม่มีครูบาอาจารย์จะได้ผลมากน้อยอย่างไรครับก็คําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นครูบาอาจารย์ในตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะไปแปลคําสอนของพระพุทธเจ้าผิดหรือไม่เท่านั้นเองดังนั้นนอกจากมีคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้ามีคําสอนของครูบาอาจารย์ที่สามารถที่จะมาคอยสอนคอยบอกเราอย่างใกล้ชิดได้ก็จะดี เผื่อเราทําอะไรไม่ถูกท่านก็จะได้บอกเราได้ว่าไม่ถูกเพราะคำสอนนี้ไม่สามารถบอกเราได้ว่าเอ๊ะเธอกำลังไม่ทําไม่ถูกนะเพราะคำสอนเป็นตัวหนังสือเป็นหนังสือเนบางทีเราก็ต้องนอกจากมีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ยังต้องมีคำสอนของพระอริยสงสาวกมาช่วยคอยเตือนคอยบอกเราว่าถูกหรือไม่ด้วยก็จะยิ่งดีแต่ถ้าไม่มีก็ต้องมีความระมัดระวัง คอยคอยคอยอ่านคำสอนอยู่เรื่อยๆแล้วคอยมาวิเคราะห์ดูว่าเราทำตามคำสอนหรือไม่คำถามต่อไปจากคุณแพนด้าดีๆกปราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะอยู่ตัวคนเดียวบางครั้งมีความทุกข์เพราะคิดถึงความแก่เจ็บป่วยสุดท้ายก็ต้องตายแต่เพราะอยู่คนเดียว จึงกลัวจะไม่ไม่มีใครเห็นและไม่มีคนดูแลเราจะดับทุกข์และความคิดนี้ได้อย่างไรบ้างเจ้าคะถ้าเรายังทุกข์อยู่เบื้องต้นก็หยุดความคิดนี้ก่อนแทนที่จะคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ให้คิดถึงพระพุทธเจ้าไปท่องพุทโธพุทโธไปแทนทำใจให้สงบก่อนพอใจให้สงบแล้วมันจะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตาย มันรู้ว่าใจนี้ไม่หวั่นไหวใจมีที่พึ่งใจไม่ต้องพึ่งคนนั้นคนนี้มาคอยดูแลร่างกายก็ได้ถ้ามีความสงบแล้วใจนี้ไม่กังวลอยู่คนเดียวได้ตายคนเดียวได้เจ็บคนเดียวได้แก่คนเดียวได้ไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ควรจะหยุดคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วเปลี่ยนมาคิดถึงพระพุทธจเจ้าแทนไปก่อนเพื่อทาใจให้สงบเป็นสมาธิ ให้เป็นใจที่เบิกบานใจที่สงบใจที่ปล่อยวางพอเป็นใจแบบนี้รา้วเทนี้ก็ไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายได้จะไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะจะรู้ว่าอยู่กับความแก่ได้อยู่กับความเจ็บได้อยู่กับความตายได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาช่วยดูแลคำถามต่อไปจากคุณจิวทัญญาเราเป็นลูกที่ดีของแม่มาตลอด ทำให้แม่ภูมิใจและไม่เคยเถียงจนมาสองปีสุดท้ายเราผิดใจและไม่ตามใจแม่ทำให้แม่เสียใจจนถึงทุกวันนี้เรายังเสียใจนั่งสมาธิไม่ได้เป็นเหมือนตลาบาบในใจควรทำอย่างไรเจ้าคะก็ามาเป็นบทเรียนก็แล้วกันว่าการกระทำของเรานี้าบางทั้งก็มีการผิดพลาดได้ งัเราไม่ควรประมาทอย่าไปคิดว่าเราทําดีมาตลอดแล้วเราจะไม่สามารถไปทําไม่ดีได้ก็ต้องคอยระมัดระวังดูการกระทําของเราทุกเวลานาทีพอรู้ว่าทําไม่สิ่งที่ไม่ดีก็รีบหยุดมันเสียอันนี้เอามาเป็นบทเรียนสอนใจว่าเราประมาทเราไม่คอยดูการกระทําของเราพอเราไปทําในทางที่ไม่ดีเราไม่ไม่รู้เราไม่หยุดมัน เราก็เลยต้องมาเสียใจในภายหลังแต่ถ้าเราคอยดูการกระทําของเราทุกทุกระยะทุกการเคลื่อนไหวเวลาเคลื่อนไหวไปในทางที่ไม่ดีเราก็จะได้หยุดมันได้เถาคําถามสุดท้ายนะคําถามสุดท้ายจากคุณบีนาพัชรีมีวิธีเปลี่ยนดวงเปลี่ยนกรรมไหมคะถ้ามีต้องทําอย่างไรบ้างคะ เ, เปลี่ยนกรรมก็เปลี่ยนได้เคยทําบาปก็เลิกทําะ ไปทำบุญแทนเออแต่ดวงไม่มีไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนกรรมได้แต่ไปลบกรรมเก่าไม่ได้กรรมเก่าบุญเก่าไปลบไม่ได้แต่เปลี่ยนกรรมใหม่บุญใหม่ได้เอถ้ารู้ว่าทำกรรมไม่ดีก็อย่าไปทำเลิกทำหันไปทำกรรมที่ดีอันนี้เราทำได้เอาล้นะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเังสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอสาธุ